ข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร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 เรียบร้อยแล้วก็ให้ถือว่าสิ่งอื่นใดนอกจากใจภาวนาอยู่ไม่เอาทางนั้นตัดกระแสภายนอกออกไปเรื่องอะไรที่มันนอกหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกออกไปให้ถือว่าเป็นเป็นกระแสของโลกกระแสของธรรมนั้นให้ถือภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่แหละ ที่ว่าตัวเราของเรามีขาสองแขนสองศีรระหนึ่งให้จิตใจอยู่ภายในนี้ให้ใจนิ่นึกภาวนาพุโทโธอยู่นอกนั้นก็ให้กำหนดร่างกายสังขารของตัวเองซึ่งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่ของจิตของใจ ตัวคนเราคนหนึ่งนี่ก็คือว่าเรือนใจเรือนใจเป็นที่อยู่อาศัยของจิตของใจเหมือนบ้านเรือนคนเราภายนอกเป็นที่อยู่ของกายของมนุษย์เมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้นฝนตกแดดออกลมพัด หรือเกี่ยวกับสัตว์เสือคานต่างๆที่จะมาทำาลายมนุษย์มนุษย์มีบ้านเรือนอยู่ก็ป้องกันภัยอันตรายเหล่านั้นได้ส่วนรูปร่างกายของมนุษย์คนเหล่านี้เป็นเรือนภายในอีกทีหนึ่งท่านให้เชื่อว่ารูปประขันนี้เป็นเรือนใจเป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่อยู่ของใจ ดูแต่เราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วได้รูปประขันได้เลือนใจนี่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ให้คิดอ่านภาวานาเพียนเพ่งดูให้ดีการที่เรามาลุ่มหลงมัวเมาอยู่โดยไม่ได้ภาวานาเพียนเพ่งดู ก็เข้าใจว่าเราเป็นคนสวยคนงามเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรความจริงแล้วรูปปันตัวตนคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ไม่ใช่เป็นของทนทานมันรอวันแตกวันทําลายอยู่ทุกขณะทุกเวลาบางคราวมีเสีย น, น้ำหรือขวากน้นาอะไรมาต่าเข้า มีดบาดมือเข้าจะเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาสแสดงว่าร่างกายสังขาร น, นี้เต็มไปด้วยพุโพโลหิตและร่างกายที่เรามาอยู่อาศัยนี้ท่านให้ชื่อว่ามีทวาลทั้งเก้าคำว่าทวาลทั้งเก้าก็คือตาสองข้างเป็นทวานหูสองข้างก็เป็นทวาล ทาวานก็คือว่าเป็นบาดเป็นแผลยามูกปากทาวารหนักทาวานเบาเรานี่ก็เรียกว่าเป็นบาดแผลเป็นสิ่งที่ไหลเข้าไปก็มีเทออกมาก็มีแสดงว่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเรานี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นก้อนอสุภะเป็นของไม่งาม แต่จิตใจคนไม่ภาวนาจิตใจภาวนาแต่จิตไม่สงบก็ย่อมขัดข้านพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าผู้นั้นภาวนารวมจิตใจของตนให้สงบตั้งมัน่นไม่หลงไหลไปตามทิฏฐิมานะความเห็นผิดนั่น จะเห็นแจ้งภายในทีเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามนั่นมันเป็นความจริงแม้มันยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ตายก็ลำบากลำบนด้วยการกินอาหารดื่มน้ำด้วยการนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยการมีเสนาสะนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกุฏิอิหาร จะต้องบำรุงรักษาด้วยอาหารนีว่าสัพเพสตตาอาหารและทิฏฐิการ่างกายมานุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงตายจึงเชื่อว่าลำบากลำบนเมื่อเกิดมาเป็นคนนั้นไม่เหมือนสัตว์ สัตว์นั้นไม่มีการกินยาแต่มนุษย์คนเหล่านี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาแล้วมีมียกยาแก้มนุษย์จึงมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์เพราะมันมียุกยาแก้ นมีโรงพยาบาลมีโรงยามีพวกขายยาเพื่อมาบำบัดร่างกายสังขารอันนี้แหละถ้าคิดในเห็นภาวนาให้รู้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั้นมันเป็นความจริงพอเกิดมาอย่างนี้แล้วมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้น ที่จะให้กระทบกับสิ่งที่เป็นทุกข์แต่จิตคนเรามันไม่ตองการมันคิดในใจก็คิดจะเอาความสุขเอาความสะดวกสบายแต่โดยธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าสะดวกสบาย<ม>เกิดมาแล้วมันต้องมีต้องมีเรื่องทุกข์ให้ได้ทุกข์ในทางร่างกายได้แก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภัยอันตรายที่บัติอันตรายต่างๆเกิดจากดินจากน้ำจากไฟจากลมจากคนจากสัตว์ร้ายต่างๆจากไขวัดไข้หรือดูจากพิษต่างๆที่มันจะทำให้ร่างกายสังขารอันเนี้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ทุกอย่างไป เชื่อว่าที่เราลอดพ้นภัยอันตรายมาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้นั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดได้ไว้ว่าบุญกุศลและวาปุเะเพกตะปุญญาตาบุญเก่ายังรักษาไว้อยู่รักษามาจนถึงเวลานี้เหตุภัยต่างๆที่มาถึงบุคคลมันมีมากมาย ถ้าไม่ภาว น, นากมา็มักจะเข้าใจว่าตัวเราอยู่ดีสบายแต่ถ้าจิตสงบละงับแล้วความจริงมันไม่ใช่สบายนั่งก็เป็นทุกข์ในเวลานั่งนอนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาให้นอนหมอให้นอนก็ไม่สบายอีกยืนเดินไปไหนมาไหนก็เรื่องทุกข์ทางนั้น แต่จิตหลงมันสำคัญผิดคิดว่าได้ไปอย่างโน้นอย่างนี้แล้วสบายความจริงแล้วมันไม่มีทางสบายที่เราคิดไปว่าสบายคือว่าไปมองในแง่ว่ามันสะดวกสบายอย่างว่าจะไปไหนมาไหนก็ไปรถยนต์จะคิดเห็นแต่ความสบายแต่หารู้ไม่ว่า รถยนต์ที่เราขี่ไปนั้นเป็นพาหานะนั้นรถยนต์มันคว่ำมันพาคนตายคนขับตายคนขี่ตายมีไหมก็ย่อมตอบได้ในตัวในใจของทุกคนว่ามีเยอะแยะมากมายคนตายจากยานพาหนะลลานรถลาดเหล่านี้มีมาก สมัยนี้เขาให้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าติดอันดับหนึ่งความตายจากอุปเทวาเอุเพราะว่าโยดยานพาหา น, นั้นไม่ว่าที่ไหนมันมีผู้ใช้โยดยานพาหา น, นั้นเกิดความประมาทมึนเมาขาดสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใด ก็ย่อมเกิดอุปเทวเหตุได้นี่ก็คือว่าภัยอันตรายมันเกิดขึ้นมาจากชาติความเกิดเมื่อตัวเราลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแล้วมันก็เป็นเหตุให้มีทกมีชาติเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องต่างๆมันก็ รอบด้านมันคอยจะให้เกิดภัยอันตรายได้ทุกเวลาทีนี้ทางแก้ภายนอกนั้นก็คือให้สงบ ก, กายสงบบาจาสงบกกจิตเมื่อตั้งโยู่ในความสงบสิ่งใดจะไม่สงบ ก, ก็ละถอนออกไปจะพูดอะไรก็พิจารณาจะทำอะไรก็คิจารณา จะคิดอะไรก็พิจารณาคือให้ใช้ปัญญาภาวนาให้ดีถ้าไม่ดีแล้วมันกระทบมันเกิดทุกข์ได้แต่จิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้มันก็มองแต่จะให้เป็นสุขอย่างเดียวแต่เวลาทำไปมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าขาดความระมัดระวังมันก็เกิดภัยอันตราย จึงต้องอาศัยภาวนาพิจารณาให้ดีแล้วจนจิตใจรอบลู้ในกองสังขารรอบลู้ภายในจิตรอบลู้ภายในกายรอบลู้ภายในวาจารอบลู้ภายในจิตใจภายในอีกอันใดเป็นเหตุแห่งความสุขอันใดเป็นเหตุแห่งความทุกจะต้องลู้รอบในจิตใจอันนั้น แล้วเวลาทําพูดคิดอะไรก็จะต้องอยู่ในความพินิษพิจารณาถ้าไม่มีความพินิษฐ์พิจารณาแล้วภัยอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดได้ว่ายาได้ประมาทประมาโทผู้ประมาทย่อมเกิดทุก ประมาโทผู้ไม่ประมาทย่อมเกิดสุขประมาทแล้วเกิดทุกข์ไม่ประมาทเกิดสุขคําว่าสุขภัยอันตรายทางกายก็ไม่มีเพราะว่าไม่ประมาททีนี้เมื่อคนประมาททาอะไรขาดความระมัดระวังพูดอะไรขาดความระมัดระวังคิดอะไรขาดความระมัดระวังขาดสติ ร่างกายสังขารของตัวเองได้มาจากท้องแม่เพื่อนช่วยดูแลมาให้ขาดีแขนดีตาดีหูดีอะไรดีหมดทีนี้เมื่อเราคนบางคนเกิดมาแล้วรักษาไม่ได้สมบัติของพ่อแม่ให้มาได้ตัดแข้งของตัวเองได้ตัดขาของตัวเองตัดแขนตัวเอง ได้ผ่าท้องผ่าไส้เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนั่นล้วคือว่ามันเราไม่รักษาให้ดีบางคนตาดีๆแล้วก็เอาตาตัวเองบอดไปก็มีเมื่อรวมแล้วก็คือว่าที่เราอยู่ดีสบายนี่คือบุญรักษา บุญคือความดีมันรักษาตัวเรารักษาด้วยบุญที่เราประกอบกระทำนี่รักษาด้วยจึงพาให้กายวาจาจิตของบุคคลเหล่านั้นมีความดีต่างกันเมื่อไม่รู้จักรักษาโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้น อย่างแล้วดูร้อนแล้วดูร้อนนี้มันมีโลกท่องล่วงโลกอาหิวาอาหิวานี่มันเป็นเพราะคนเราไม่สังวรระวังในการกินเขาว่าเชื่ออาหิวาตะกระโลกนะมันเข้าทางปากมันไม่เข้าทางอื่นเหมือนโลกจะนิดอื่นเวลาคนเราบริโภคอาหาร น้ำสะอาดน้ำไม่สะอาดก็อย่าไปกินอย่าไปเดิมอาหารการกินก็เหมือนกันต้องดูแลรักษาตัวเองให้รอบครอบถ้าไม่รอบครอบแล้วลื้นเข้าไปเชื้อโรคอังฮิวาเข้าไปในท้องในไส้แล้วทีนี้มันก็ออกแม่แพ้ลูกอยู่ในลำไส้ ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงโรคอะฮิวามันทายเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงก็ตายกันดัง น, นั้นเวลาโรคทายท้องเขาจึงมียาแก้ง่ายง่ายก็คือว่าให้น้ำฉีดน้ำเกลือเข้าไปให้น้ำคือน้ำในร่างกายมันไหลออกไปหมด เมื่อไม่มีน้ําเพียงพอร่างกายก็ทนอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นส่วนาธาตุกรรมฐานาธาตุกรรมฐานนี้ก็เกี่ยวโยงถึงธรรมกรรมฐานเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของคนเราจะตั้งอยู่ได้ก็มีาธาตุกรรมฐานสมบูรณ์พุ่นพอกับเหตุการณ์ แล้วจึงได้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาฟังธรรมนั่งขัดสมาธิเพชรได้ถ้าว่าไม่รักษาตัวไม่ระมัดละวังร่างกายสังขารนี่มันเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ลุกไม่ได้มาฟังธรรมไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ ที่เรามาได้คือมันพร้อมทุกอย่างตาก็ดีไม่เจ็บตาหูก็ดีไม่เจ็บหูและหูฟังธรรมได้ด้วยอาศัยใจดีด้วยใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจไม่มีความเชื่อความเลื่อมใส ก็ทําไม่ได้อีกแม้จะให้นึกพุทธโธแทนที่จะนึกพุทธโธมันก็นึกไปอีกอย่างหนึง่งกุบายกรรมาฐานที่เราจะนึกพิจารณามีอยู่แต่จิตเมื่อไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมันก็ฟุ้งซ่านลาคาญไปตามอารมณ์ขี้เหละผลที่สุดมันก็ทําไม่ได้ เมื่อทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็มักจะคิดว่าเรานี้เป็นคนบุญไม่มีบุญน้อยวาสนาน้อยก็พาให้จิตใจท้อถอยไม่บากบั่นพยายามไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เลิกล้มความเพียร ทั้งๆ ท, ที่เราได้เข้ามาอยู่ในวัดวาศาสานาบนรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสานาแล้วก็รักษาไม่อยู่รักษาไม่ได้ไปเชื่อมารกิเลสเชื่อสังขารมารกิเลสมารมันมายั่วยุให้ศึกษาลาเปธไปกินไปนอนได้รับความสุขมากมันโกหกทั้งนั้น เมื่อศึกหาลาเพศไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นบนทุกทั้งหลายมันรวมเข้ามาหมดเหมือนกับว่าทุกในโลกมันมีเท่าใดมันก็โหมเข้ามาทับถมทับถมหัวใจนะั่นทับถมกายทับถมหัวใจผลที่สุดก็ตายอยู่ในโลกในวัฏตตสงสาร หน้าที่จะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ก็เอาเต็มที่ไม่ได้เพราะกิเลสมันพาไปกิเลสมันพาอยู่กิเลสมันพาให้วุ่นวายธรรมดากิเลสเวลาจะทำความดีลมันไม่ยอมมันขัดข้องมีเรื่องขัดข้องทางนั้น ทีนี้ถ้าผู้ใดตั้งใจให้มัน่นภาวนาทุกวันทุกคืนจนจิตใจมันแน่วแน่มั่นคงเป็นสมาธิภาวนาเกิดปัญญาวิชาความรู้รักษาใจของตนได้จนเลิกละกิเลสความโกรธให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสความโลภให้มันเบาบางหมดสิ้นไป เลิกละกิเลสความหลงมันเบาบางหมดสิ้นไปนั่นแหละจึงจะข้ามพ้นวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้เละถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ความฉลาดในธรรมะปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถึง มีแต่จะให้กิเลสพาไปคือใจไม่สงบตั้งมั่นนั่นไปไม่ได้คำว่าไปไม่ได้เปรียบุปมาเหมือนอย่างว่าคนตาบอดมันไปได้ถึงไหนหรือว่าคนตาบอดจูงคนตาบอดไม่ใช่คนตาดีจูงคนตาบอดจึงจะไปได้บ้างแต่ว่าคนตาบอดจูงคนตาบอดนั้น พูดง่ายๆก็เรียกว่าจูงไปตายดึงไปให้ไปถึงที่ตายเพราะว่าตามันมองไม่เห็นคือจิตไม่ภาวานาท่านสอนให้ภาวานาก็ไม่ตั้งใจเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมก็เลยได้แต่ฟังเทศเหงานอนดูละครตาดแยก ได้เท่านั้นเองจิตใจมันไม่ตั้งจิตใจมันลอยลอยก็คือวันหลงหลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโภทพะธรรมอาลมก็คือหลงตาหลงลูกหลงหูหลงเสียงหลงจมูกหลงกลิ่นหลงลิ้นหลงรสหลงกายหลงโภทพะหลงใจหลงธรรมอาลมความคิดนึกในใจก็หลง เมื่อมันหลงแล้วมันไม่สงบตั้งมัน่นอยู่ในจิตในใจมันก็มีเป็นมืดใจเบื่อใจไม่แจ้งในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโล ก, กวิทูลูแจ้งโลกพระองค์ภาวนาจิตใจของพระองค์สงบระงับตั้งมัน่นอยู่ในฐานในทิศในภาวนาในบารามีสิบประการบารามีสาสิบทัศน ที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาสิ่งเหล่านั้นได้แก่ทานการให้การบริจาคศีนรักษากายวาจาจิตให้บริสุทธิ์สงบระงับให้มีเนคขมบรารมีเรียกว่าบวช เลิกจากกิจกรรมการงานของคารวะญาติโยมให้ชื่อวันเนธขัมมะออกบูดออกบูตรออกจากกิเลสเราวันเนธขัมมะบรารมีปัญญาบาลมีฝึกฝนอบรมให้มีปัญญาปัญญาบาลมีนั้นเป็นสิ่งสำคัญขาดเสียไม่ได้จะต้องฝึกฝึกเอาที่ไหน ปัญญาปัญญามันมีอยู่ทุกจิตทุกใจคนเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจนี้ไม่ตั้งมัน่นไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนปัญญาในทางธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ปัญญากิเลสปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมไม่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการเดินจมกลมภาวนาบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างนั่งฟังธรรมคำสั่งสอนบ้างไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตใจนั่นแหละให้มีปัญญาสนใจในการศึกษาทางธรรมเพราะว่าธรรมะเท่านั้นแหละจะทำให้แกพระพุทธเจ้าพระองค์ เป็นโลกวีทูรูแจงโ ล, ลกรูแจงธรรมคือจิตใจของพระองค์ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นกายมันทำอะไรก็มัน่นวาจาพูดอะไรมันก็มัน่นคงจิตคิดอะไรมันก็มัน่นคงคือว่าจิตตั้งมั่นนั่นเองจึงมีวิธีการบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนา เพื่อเสริมสร้างปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถอาจานให้เกิดให้มีขึ้นผู้มีปัญญาธนว่าเป็นแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างดวงพระทิพย์รจันทร์มันก็สว่างได้ในทางนอก ไม่เหมือนแสงสว่างของปัญญาผู้ใดฝึกฝนอบรมใจของตนให้มั่นคงหนักแน่นในสมาธิภาวนาอยู่รวมจิตลมใจเข้ามาภายในเมื่อใจมันแจ้งใสสงบระงับตั้งมัน่นปัญญามันเป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนดวงไฟที่เราจุดในที่มืดย่อมมองเห็นสิ่งต่งตางๆ จะไปไหนมาไหนก็ไม่กระทบกระเทือนกับวัตถุอะไรเพราะมันเห็นแจ้งคำว่าปัญญานี้ท่านจึงว่านัทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีหมายถึงใจนะั่นแหละใจสงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านก็เอามาพินิจพิจารณาว่าควรทําอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆควรพูดอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆควรคิดนึกพิจารณาอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆเมื่อจิตมีปัญญามันก็เกิดความรู้ความสว่างมองเห็น เหมือนกับว่ามีแสงสว่างสองแต่ไม่ใช่แสงสว่างภายนอกมันแสงสว่างในใจแก้ไขเหตุการณ์อันใดได้ด้วยปัญญาเนียว่าคนมีปัญญาเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นภยัยภัยอันตรายไม่เกิดมีขึ้นกับบุคคลผู้มีปัญญาคนมีปัญญาย่อมมีทางออก แม่จิตมันจะลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสคนมีปัญญาแล้วต้องเอาชนะจิตกิเลสของตนได้ด้วยปัญญาด้วยการภาวนาด้วยการทำความดีเมื่อความดีพอความชั่วมันก็หายไปความดีขึ้นมาแทนที่จึงให้เชื่อว่านัตถิปัญญาสมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทางหลายท่านฝึกจิตฝึกใจนี่แหละให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ให้เอาลัดเอาเปรียบบุคคลผู้ใดเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้อย่าทําตามอํานาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงจึงจะเกิดปัญญาได้ ทำไปตามพูดไปตามคิดไปตามอำนาจกิเลสมันไม่มีปัญญาเรียกว่ามืดทำมากไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงก็มืดมากเข้าไปไม่มองเห็นจึงต้องมีภาวนาในจิตในใจทีนี้วิลิยะบาลามความพาความเพียรความพยายามในจิตในใจนี้ก็ต้องมี ถ้าไม่มีความภาคความเพียรทำอะไรก็ทะลุผูกโป่งไปไม่ได้เพราะความภาคเพียรจะต้องอาศัยความอดความทนจะต้องมีความสัตย์ความจริงจะต้องมีอธิฐานจะต้องมีเมตตาจะต้องมีอุเบกขาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญภาวนานั้นมันเป็นจุดส่วนรวมที่จะต้องประกอบกระทำ จุดส่วนลวมจะต้องรวมมาสู่จิตใจภายในนี่จิตใจภายในนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่อื่นไกลจนกระทั่งเราไม่รู้ไม่เห็นความจริงมันก็ใจคนเราเมื่อก็อยู่ในกายในตัวทุกคนนี่แหละแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใดขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความเอาใจใส่ในจิตใจปัญญาก็ไม่เกิด เี็นทํากรรมฐานก็ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดไม่มีขึ้นจิตมันก็เข้าสู่โมหะความหลงความหลงความไม่รู้ความไม่ตั้งใจทำดีไม่ได้แต่ว่าทำชั่วทาได้ดูในโลกเราเนี่ยคนทาบาปทำอกุศลนั้นแม้จะเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเขาก็ทำอันเพราะว่าจิตอวิชาตัณหามันย่อมเป็นไปอย่างนั้น มันพาให้เกิดทุกข์พาให้เกิดความเดือดร้อนไม่รู้จักแก้ไขจิตใจของตัวเองให้เป็นไปตามทํานองครองธรรมเมื่อรวมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าอะไรอะไรทั้งหมดนั้นมันมารวมที่จิตจิตอันเดียวนี่แหละเป็นต้นเป็นปัะจานในตัวคนเราทั้งหมด ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทากิจกรรมการงานทางโลกทางธรรมได้ก็อาศัยจิตเป็ น, ใ, น, ป น, ใ, นใหญ่ใจนีโโโโ่แหละเป็นใหญ่แต่ว่าถ้าใจมันใหญ่ในโมโหโทโสฟุ้งซ่านลําคาญมันก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบาปถ้าใจนี่แหละไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลง เป็นจิตใจอันเมตตากรุณามุทิตาโอเบคขาเป็นจิตใจที่ไม่อิจฉาพยาบาทใครอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ให้มีความสุข ก, กายสบายใจทำแต่ความดีทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าอุบายธรรมเหล่านี้เมื่อรวมเข้ามาแล้วมันก็อยู่ที่ใจ ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินอย่าไปพ่อแท้ออนแอต้องเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปเบาไปบางไปจนจิตใจรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมคำว่ารู้ในธรรมเข้าใจในธรรมนั้น ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะต้องทาจะต้องประกอบแต่ว่าบทย่อท่านก็ว่าให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้กาหนดรูปนามกายใจของตัวเราเองนี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อว่าอย่างนี้มันก็ย่อแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องอยู่ที่ใหญ่ อยู่ที่ใจสงบตั้งมาอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเอาจริงคนเราถ้าใจเสียแล้วก็เหมือนกับว่ามันเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการเหมือนต้นไม้มันเป็นโพรงไม่มีแก่นต้นไม้เป็นโพรงไม่มีแก่นมันก็มีแตจะหักโค่นลงมาทายเดียวจิตใจคนเราไม่มีภาวนาไม่มีพุทโธในใจ ไม่มีการตั้งใจให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วอะไรอะไรมันก็โค่นไปหมดหลงไปจิตบาปกิตอกุศลภายในมันมาชักชวนให้ไปอย่างไรมันก็ไปตามความไม่รู้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านว่าให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่ให้รู้รอบรู้ทั่วรู้ทั่วถึง คำว่ารู้ทษถึงน่มันก็อยู่ที่จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตนี่แหละสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลมันก็รู้ได้รู้ดีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดไม่ถือแต่เรียกว่ารู้แจ้งปัจจิตตังจำเพาะจิตมารู้แจ้งโยนในจิตในใจในตัวของตัวเองนั่นแหละมันหมดใช่ว่าไปแจ้งที่อื่น แจ้งอยู่ที่กายเห็นร่างกายนี้ว่ามีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่การมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สมัย น, นี้นั้นอายุไม่ถึง1 0อยปีเราทุกคนจำใจต้องจากต้องตายก่อน1้อยปีด้วยกันทังนั้นอายุ1้อยปีนี้ทันว่าน้อยนิดเดียวไม่พอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์ เราต้องรีบเร่งภาวนายาไปเห็นแก่หลับแกนอนแก่ความสนุกเฮหาภายนอกจงตั้งกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในความสงบตั้งมั่นไม่ให้กิเลสโลเลทางตาหูจมูกเลื่อนกายใจมาทำลายจงเป็นผู้เมตจิตใจอันสูงส่งรวบรวมกําลังจิตใจให้สามารถอา่าน ยังจิตใจที่ภาวนาพุโทโธภาวนามละกรรมฐานอยู่เตือนใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตลอดกาลและทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรม ถ้าว่าจิตนี่แหละขาดสมาธิขาดความตั้งใจมัน่นขาดปัญญาความลอกลูในกองสังขารยานอันวิเศษที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เกิดได้แต่ตัวอวิชชาความหลงความไม่รู้เมื่อใจเป็นอวิชชาความไม่รู้ไม่ภาวนาก็เปรียบเหมือนอย่างว่านนั เรีว่าเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจูงคนตาบอดกจูงไปหาที่ตายเท่านั้นเองผู้ภาวานาทางหลายทําอย่างไรจะเป็นคนตาแย้งตาใสเกิดตาปัญญานั่นแหละเราจะต้องกราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระสงฆ์ ระลึกภาวนาพุโทโธเอาคุณพระพุท ธ, ธเจ้ามามัดอิตมัดใจอยู่ในหัวใจของเราให้ได้นั่งก็อยู่ที่ใจภาวนาพุโทโธอยู่ยืนก็อยู่ที่ใจภาวนาพุโทโธอยู่เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุโทโธอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธอยู่ให้สิ่งภายนอกแม้มันจะไม่มีอะไรก็าตามมีใจที่ ภาวนาพุโทโธอย่างเดียวกด็ดีวิเศษกว่าได้สมบัติพัตนฐานต่างๆในโลกเพราะว่าสมบัติภายนอกนั้นท่านให้ชื่อว่าโลกียักษสมบัติสมบัติในโลกสมบัติโลกีมีมันก็เกิดวิบัติไม่เหมือนธรรมสมบัติภาวนาสมบัติบุญกุศลเป็นสมบัติอันนี้ไม่เสีย บุญมันรักษาบุญที่เราภาวนาทำดีทุกอย่างนี่แหละเมื่อเราทำดีได้ทุกอย่างทุก ป, ประการปรามวลมาก็คือว่าจิตใจดีเมื่อใจดีแล้วอะไรอะไรมันก็ลอยดีไปหมดนั่นกายก็ดีคำว่ากายดีนั้นก็คือว่าความประพฤติทางกายนั้นไม่มีทุก์ไม่มีโทษ มีแต่ความแน่วแน่มั่นคงในจิตใจของตนอยู่ตลอดกาลรีลว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ทุกวันคืนเดือนปีชีวิตที่มีอยู่แม้ไม่มากเท่าไรภายในร้อยปีก็ชื่อว่าคนนั้นมีค่ามีราคา คือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวเองจิตใจก็ดีความประพฤติก็ดีอะไรมันดีในใจแล้วอันอันชั่วมันก็เลยหายไปชั่วไม่มีมีแต่ดีอย่างเดียวดีนี่แหละแล้วว่าภาวนาพุทโธจิตสงบตั้งมัน่นจิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตกล้าหาญในการ ที่จะละกิเลสตัดกิเลสออกไปให้หมดสิน้นเพราะว่าการตัดละกิเลสนั้นท่านว่ามันอยู่ภายในตปะตโปแผดเผากิเลสเราทําความดีนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาอันนี้มันเป็นตาปะธรรมแผดเผาความไม่รู้ให้เกิดความรู้ขึ้นมา แย์เผาความดิ้นรลนบุนวายกระสรับกระส่ายให้หมดไปจากจิตใจนี้เมื่อมีตาปะธรรมแผดเผากิเลสอยู่และจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในหน้าในตาในชื่อในเสียงในสิ่งที่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเลิกละรู้จักทำใจให้ ทองใสสะอาดไม่ให้มีความขุ่นข้องมองใจใดๆเข้ามาทับถมในหัวใจนี่ยืดใจอนเนก็ได้เชวัตั้งขึ้นมาได้ไม่ล้มลุกทุกข์ขนไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนเมื่อเราตั้งใจได้แล้วก็ได้ช่วัภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้ว จะแก่ก็ภาวนาได้จะหนุ่มก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ดูมนุษย์ครั้งพุท ธ, ธาลเด็กๆขนาดอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาคาเป็นได้จนถึงพระอรหันตากีนาศเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติท่านภาวนาไม่ใช่มัน มันเป็นไปเองไม่มีอะไรมันเป็นไปเองมันต้องทำมีผู้ประกอบกระทำผู้ทำให้เป็นเหตุเหตุก็คือว่าเราทำเหตุดีไว้เรารักษาศีลของเราไว้เราภาวนาในใจพุทโธในใจไว้เรามีความตั้งจิตเจตนาดีไว้ในหัวใจตลอดกาลไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดไว้ใดไม่ว่าเพศหญิงเพศชาย มันได้ได้เหมือนเหมือนกันบางคนก็คิดว่าเราเป็นเพศหญิงบวชเป็นพระภิกษุสงไม่ได้ไม่สำคัญในคลังพุทธการสมัยก่อนโน้นก็ละวาดญาติโยมเพื่อนฟังธรรมแล้วเกาะภาวนาภาวนาละกิเลสได้เหมือนเหมือนกัน ดูตัวอย่างอย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เด็ไปบวชไปเรียนที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไปบวชเรียนเขียนอา่านภาวนาทำความเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดพุทธบิดาพระปยุรญ่าทุกคนก็ตั้งใจทำดีด้วยกันทั้งนั้นผลที่สด พุทธวิดาก็ได้สาเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอระหันตาสุดท้ายเลยทีเดียวท่านก็ไม่ได้เอากายไปร่างกายนี้มันเป็นรูปร่างกายรูปปัจขันต์ตายแล้วก็อยู่ในโลกนี้แหละยังไม่ตายก็อยู่ในโลกนี้ท่านเอาจิตใจนั่นต่าง จิตใจผ่องใสสะอาด จ, จิตใจมั่นคงในทางในทินในภาวนาจิตใจมั่นคงในคุณกระพฤติจ้าคุณพระธรรมคุณพระสมมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาอันมั่นคงหนักแน่นใครจะมาชักจูงจูงจมูกไปในทางที่ผิดท่านก็ไม่ไปไม่เอา เมื่อไม่เอาแล้วท่านก็เล่งทำความดีนั่งก็ทำความดีภาวนาพุโทโธในใจนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความเพียรยั่งลงไปในจิตใจนี่เมื่อความเพียรความมันความขยันขันแข็งในการปฏิบัติบูบชาภาวนาไม่ท้อถอยจิตใจก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้าไป สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าการปฏิบัติภาวนาเป็นสาวกของพระพุติเจ้านั่นมันขึ้นกับการละกิเลสละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงละกิเลสราคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะด้วยการภาวนาทําใจให้สงบตั้งมัน่น ให้เป็นจิตใจอันเกิดความหมัน่นความขยันขันแข็งขึ้นมาในจิตใจเมื่อจิตใจมีความหมัน่นขยันมีความเพียรอันโรคร่างกายนั้น <c oughs> ใจดีมันดีไปหมดใจมีความเพียรร่างกายมันก็มีความเพียรมือเท้าอวัยวะร่างกายทุกอย่างมันก็มีความเพียรไปตามจิตอันความเพียร น, นี้ท่านว่าเป็น กิจที่เราทุกคนจะต้องทําผู้จะภาวนาได้ก็ต้องอาศัยความเพียรท่านจึงตัดได้ว่าวิริเยนะทุกขมกัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรคนเราเมื่อมีความเพียรความหมันความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้วทุกคนก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชันนี